32. สวบสศาสนาพุทธยิ่งใหญ่เพราะรู้จริงในวิธีแก้กรรมผู้สามมาทิฐิในการแก้กรรมตามวิธีปฏิบัติมักอันมีองค์8ดจริงจึงจะสามารถแก้กรรมให้พ้นทุกพ้นความชั่วพ้นความตกต่ำในชีวิตไปได้อย่างเที่ยงแท้ยั่งยืน ตลอดนี้รันดอนได้กรรมจึงเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชาวพุทธเพราะกรรมเป็นของของตนกรร ม, มสกะคนทุกคนมีกรรมเป็นทายาทหรือคนทุกคนต้องรับมรดกที่เป็นผลกรรมอันตนได้ทำไว้แล้วของตนกรรมมาทายาท กรรมนี้เองที่สร้างเราพาเราเกิดเราเป็นกรรมมโยนิกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หรือเป็น DNA หรือเป็นยีนทางจิตวิญญาณของตัวเองถ่ายทอดพันธุกรรมของตัวเองพันธุกรรมทางจิตวิญญาณไม่สามารถถ่ายทอดทางด NA หรือทางยีน ที่เกี่ยวกับสรีระมีธาตุดินน้ำไฟลมเป็นใหญ่อันสืบทอดมาจากพ่อแม่ปลูกย่าตายายได้ตามที่บัญญัติกันมาและใช้กันอยู่ในสังคมคำว่ากรรมพันธ์ที่หมายถึงการในสังคมไทยจึงเป็นบัญญัติที่วิปราสเรื่องหนึ่งของคนไทย เพราะกรรมนั้นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นประทานในทางปรมัธิธรรมกรรมเป็นสมบัติของตนกรรมสกะกรรมเป็นทายาทกรรมทายาทกรรมคือผู้สร้างผู้ทมให้เราเกิดกรรมโยนิกรรมเป็นเผ่าพันธ์กรรมพันธุกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมปฏิสระโน ก ร, รมจึงเป็นกอสหรือเป็นพระเจ้าของศาสนาพุทธ